จเจริญพรโยมถ่ายรูปเพื่อถ่ายนะเดี๋ยวตอนเทศอย่าถ่ายเชิญเชินพออย่างพอแล้วเิเวลาหลวงพ่อเทศขอความร่วมมือนะอย่าถ่ายรูปนะเวลาแสดงธรรมะเนี่ยไม่มีโผลล่วงหน้ามันอยู่ที่ใจของคนฟังใจของเราสงบ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 แต่รู้สึกว่าหัวข้อที่กำหนดให้หลวงพ่อพูดในเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราจะวาดภาพมาต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรม่ะทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องช้าช้าต้องนุ่มนวลต้อง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 แต่ไม่ยากเลยที่คนที่มีสติที่แท้จริงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าพวกเราชาวพุทธไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆเนเรายังไม่เข้าใจเราห่างไกลนะศรัทธาของเรายังคลอนแคลนอยู่นิพพานไม่ใช่โลสภาวะในอุดมคติแต่มีจริงๆนิพพานเป็นความสิ้นตัณหาเมื่อใดใจของเราสิ้นตัณหาเราจะรู้จักว่านิพพานคืออะไร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 เรียนจนกระทั่งจิตตื่นขึ้นมามีสติที่แท้จริงขึ้นมาตอนนี้มีเยอะมากเลยนับจํานวนไม่ถูกแล้วว่ามีกี่พันหรือเป็นหมื่นพวกนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเวลามารายงานมาส่งกันบ้านจะบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเคยมีความทุกข์มากๆมแล้วเหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นๆมีความสุขแต่เดิมความสุขต้องอิงอาศัยคนอื่นต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลา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 มันไปอาบน้ําพามันไปกินข้าวหรือเติมน้ํามันอะไรต่อเลยรับใช้มันสารพัดเลยให้ความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ไม่อิสระรเป็นความสุขที่ต้องยิงอาศัยผู้อื่นยิ่อาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขในธรรมะนี่เป็นความสุขที่อาศจรรย์นะมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตต์คือจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่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 ถ้าแยกไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปทําสมถะแล้วคิดว่าทํำมิปัสนาอยู่สมถะกรรมฐานเนี่ยหลักการของมันไม่ยากเท่าไหร่นะหลักการของสมถะกรรมฐานเนี่ยคือให้เราสังเกตความจริงของจิตใจเราเองก่อนจิตใจของเราเนี่ยร่อนเร่ซัสดสายตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปทางโน้นเดี๋ยวหลงไปทางนี้เดี๋ยวจับอารมณนน์นนเดี๋ยวจับอารมณ์นี้นะฟุง้งซ่านจับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้จิตใจนะัะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอุตลุด ต, ตลอดเวลาเลย คนที่ภาวนาไม่เป็นก็พยายามบังคับใจให้สงบให้ดีบังคับยังไงมันก็ไม่สงบนะมีแต่เครียดเพั้นพวกภาวนาแล้วเครียดเนี่ยแสดงว่าไปทําสมาธแบบผิดผิดวิธีด้วยถ้าทําถูกวิธีจะไม่เครียดจิตถ้าเรารู้จักรลักษณะของจิตนจิตมันคล้ายๆเด็กเหมือนเด็กสนสคนหนึ่งจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจจิตมันเป็นอย่างนี้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 พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร้ยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็มีวลีบอกว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ว ท, ทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความพ้นทุกอย่างนี้ไม่มีแล้วทำแล้วทําเลยนะไม่เหมือนการทํางานในโลก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 แม้จิตมันสายตลอดเวลาจิตมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะเห็นในจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูที่จิตเกิดที่ใจจิตไปคิดเปลี่ยนเต็มปั๊บปัป๊ปไปค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจนะค่อยๆฝึกะไม่ยากไม่ยากมันง่ายง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยขั้นแรกนะอยากจะให้เกิดสติที่แท้จริงเนี่ย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 จิตของเราจะหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรดหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นนั่งนั่งอยู่แล้วขันเราว่าเก่าใช่ไหมขณะที่เราเก่านะสบายใจแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังเกาอยู่ใจกำลังสบายล้วกเก่าอัตโนมัติในขณะนั้นลืมกายลืมใจทําไมื่อเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรียกว่าขาดสติสติ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 งั้นเบื้องต้นนะวิธีง่ายๆพวกเราหาอารมณ์กรรมฐ า, านมาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตจิตใจเช่นคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะก็ไปนั่งรู้ลมหายใจรู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบคนไหนชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวดมนต์สวดเล่นๆนะไม่ใช่สวดให้สงบคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินไปคนไหนชอบอิริยาบถสีก็ดูยืนเดินนั่งนอนคนไหนชอบขยับมือทําจังหวะก็ทําไป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 หายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ทันทำอะไรก็ได้นะเบื้องต้นทำกรรมฐานมาสักอันหนึ่งก่อนเป็นเครื่องสังเกตปกติจิตเราจะร้อนเร่ตลอดเวลาวิ่งตลอดดูยากเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมาเป็นตัวสังเกตสมมติว่านี่เป็นพุทโธนี่เป็นลมหายใจ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 เป็นก้อนทุกพวกเรามีใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมมีช่วยยกมือหน่อยมีไหมใครเห็นกายเป็นทุกข์เอานะพวกที่ยกอย่าเพิ่งเอาลงนะหลวงพ่อขอถามหน่อยพวกที่ยกอ่ะเห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาหรือว่าเห็นเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนึกออกไหมเราไม่ได้เห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างลองไม่เอามือลงสิเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูแะ้ะเอามือลงได้นะ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 ฝึกไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นลว น, ลวนเบื้องปลายเราจะฝึกไปจนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้นล้วนค่อยฝึกไม่ยากเท่าที่คิดหรอกวิธีหัดนะไม่ยากอะไรหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่แตเป็นฆราวาสตอนเด็กๆเจ็ขวบเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อรีวัตโศการามท่านพ่อรีวัตโศการามท่านเป็นพระดีพระวิเศษองค์หนึ่งนะแต่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนีหลวงพ่อเ็ดขวบเอง งั้นท่านสอนให้ได้แต่เบื้องต้นสอนสมถะนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเงี้ยมาฝึกอยู่ทุกวันทุกวันอยู่สองสาปีท่านก็สิ้นไปแล้วเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนต่อขึ้นมิปัสนาไม่เป็นหรอกทําแต่ความสงบงั้นหลวงพ่อเลยทําสมาริทําอะไรนี่นะทำมาแต่เด็กทําแต่ความสงบอย่างเดียวเลยไม่เห็นมันจะมีปัญญาพ้นทุกที่ตรงไหนได้เลยวันไหนทําไปแล้วจิตสงบเราก็ว่าวันนี้พ้นทุกข สงบไปไม่กี่วันมันก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วก็มาทํำปากสงบใหม่พอสงบอ็วันนี้พ้นทุกข์อีกแล้วนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์นะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองขึ้นไม่ปรั ส, สนาไม่เป็นจนมาปีสองห้านะสองพั25 25. นห้าร้อยี่สิบห้าเนไปกราบหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองก่อนหน้านี้เคยดูกายนะ ไ, ไม่ถนัดนะแต่เคยดูเพราะว่าไม่รู้จะดูอะไรก็ดูกายแต่ใจมันไม่เอามันรู้สึกตื้นไป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 ดูที่พุงสิตำรวจตัวจริงนะจอ้วนกว่าตำรวจตัวปลอมถ้าติดไฟแดงเป็นคันแรกรู้สึกยังไงโอ้โ ห, หมโหเลยบางทีใช่ไหมถ้าติดเป็นคันที่ย0รู้สึกไงสบายกว่ารู้สึกไหมถ้าติดเป็นคันที่80ดสิคันที่ร้อยี่สิบเฉยเฉยไฟเขียวก็ยังเฉยอยู่รู้ว่าไม่รอดหรอกเนะนี่ยเราคอยรู้ความรู้สึกของเรา น, ะนี่แหละคือการปฏิบัติทําในชีวิตจริง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 หดหูเป็นไหมอิดช้าเป็นไหมกลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมเราเป็นตลอดเรารู้จักตลอดเลยหน้าที่ของเราก็คือความรู้สึกขนาดนี้ยอะไรกําลังเกิดอยู่มันกําลังเซ็งหลวงพ่อประโมทพูดไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเซง็งเซงรู้ว่าเซงแต่หายากนะคนที่ฟังหลวงพ่อเราเซงน่ยหายากหัวเราะรู้สึกไหมเมื่อกี้หัวเราะละใจมันโปร่งๆขึ้นมารู้สึกไหมแล้วก็ลืมตัวเอง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 ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาสายตลอดนะจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในกามาวัจจารภูมิจิตที่สายไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโฟนทภะทั้งหลายเวลาที่เกิดมรรคผลเนี่ยจะไม่ไปเกิดในกามาวัจจารภูมิจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยหัดเข้าฌานวันนั้นมันก็จะเข้าของมันเองอนะ่ะรวมลงมาแล้วมันจะตัดสินความรู้กันในสมาธินี่เองเสร็จแล้วพอผ่านกระบวนการออกมานะเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเราไม่มีอ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 อพอสมควรเชิญได้ข่าวว่ามีเตรียมถามอยู่ส5บห้าคนใครจะไปทำงานก็ยังทันนะยังไม่บ่ายโมงนำมันระดับหนาพอหลังจากฟังเราก็โทรศัพท์ก็เบาลงอะค่ะรู้ตัวมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังสับสนระหว่างการนารัึกูกับความคิดบางครั้งก็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 ลืมกายลืมใจเไยรู้เรื่องที่คิดอยู่ก็ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดยังขณะนี้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกออกไหมและเราคอยรู้เอานะแล้วก็สภาวะจิตปกตินี่จะรู้สึกว่าจะดังๆังนิดนึงสภาวะจิตปกติเนี่ยจะเป็นคนซึมเศร้านิดหนึ่งแล้วก็มันไม่สามารถหยุดมาจากภาวะซึมเศร้นานี้ได้อยากจะคอให้รู้ด้วยความเป็นกลางนะ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 ตอนหลังๆเนี่ยจิตแพทย์ให้คนไข้กินยามาหลายรอบนะทำอย่างนี้ไม่หายนะตัดสินใจแล้ววักซีดีหลวงพ่อประโมทเอาไปฟังไป <c oughs> ฟังฟังมใจมันตื่นขึ้นมาถ้าเป็นโรคจิตที่เกิดจากความเครียดเลยหายแต่ถ้าเกิดจากสมองเกิดจากระบบประสาทอะไรนี่ไม่หายนะคนละเรื่องกันถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจนี่หายได้เพราะว่าจิตใจที่รู้สึกตัวนี่ไม่เครียดทาไมเรา เห็นจิตใจที่ซึมเศร้าแล้วไม่หายเพราะใจเราไม่เป็นกลางถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางจะหายทันทีเลยแล้วจิตที่เป็นผู้รู้ที่เป็นกลางนะั้นมีความสุขอยู่ในตัวเองอยู่ละไปดูออกนะใจไม่เป็นกลางไปดูตัวนี้ใจไม่ชอบความซึมเศร้าไปรู้ทันตัวนี้อ่ะต่อไปอะสุท้ายนะคะอยากจะขอบุญแาที่มีการปฏิบัติงรู้สึกตัวไปได้นะ คุณใจของการภาวนาก็คือรู้สึกตัวเรื่อยอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเดียวกันก็ไม่เอาแต่เพียงกายเพียงใจคอยรู้สึกบ่อยๆขอบพระคุณครัหลงไปแล้วรู้สึกไห้หลงไปแล้วหลงไปคิดแล้วแต่ไม่เพียงนะอ่ะต่อไปอ า, บบปาเยเขาหลงอยู่ไหนอ่ะนี่ครับเจอเพ่อสาม ได้ขาวสามคันแล้วแล้วอ้าอาชจันท์แต่ว่าเล่เร่องไไม่ได้เล่าไปเล่าเรื่องไร้สาระหลงพ่อไม่ฟังเรื่องไร้สาระ่มนอะอะไรจะถามเรื่องไร้สาระหรอไม่เอาคัางนี้มาทำให้ขาดปฏิบัติเออต้องถามเรื่องปฏิบัตินะเรื่องไร้สาระไม่เอาหรอกกอผมก็เจอโยมผมมาอือพอเจอรสึงว่ามันเคยค้านแล้วมัน ก็ดีแล้วนี่การภาวนามีสองอย่างนะอันหนึ่งภาวนาเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นนั้นสมถกรมรมฐานอีกการหนึ่งภาวนาเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเรียกว่าวิปัสสนากรมารมฐานเพราะฉะันที่คุณเดินจงกรมแล้วเห็นจิตมันไหลไปไหลมาเราก็คอยรู้ทันอ น, นั้นก็ดีแล้วอย่ากให้อยางให้หลวงพ่อช่ยชีนย้นั้นให้ฟงนะคะ ร, ะรับว่าผมตึงไปไหนยอ่องไปไหน ตึงไปขอบคุณครับดูให้สบายกว่านั้นนะเอาต่อไปเชวญคนนี้หย่อนไปหย่อนไปหนมเออหย่อนไปไหนนะคืออย่างนี้จ้าค่ะโยมได้ส่งกไปบ้านหลวงพ่อที่บ้านอาลีเมื่อเดือนกันยาหลวพ่อบอกว่าเพ่งให้ปล่อยๆนะคะเอ่อผ่านมาประมาณ8เดือนเดี๋ยวโยมส่งกต่งบ้าน สองสาเดือนแรกในโยงงมากว่าเพลงอะไรปล่อยอะไรแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็พอสักประมาณห้าเดือนผ่านไปก็เริ่มแยกของว่าอันนี้คือเพลงอันนี้คือปล่อยแต่พอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนนี้ตึงเต็มมากพอปล่อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราค่อนข้างหลัที่เป็นเรื่องของความขี้เกียจแต่ว่โอเคบางทีสงสัยก็สงสัยก็รู้ว่าสงสัยอแต่ เราไม่เพ่งแล้วนะเราก็ต้องขยันภาวนาเช่นนั่งสมาธิเดินจุกลมอะไรนี่ต้องทําแต่ไม่ได้ทําเพื่อเพ่งกายเพ่งใจทําไปเพื่อคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนะมันหย่อนไปตรงนี้แหละแล้วก็อย่างอย่างเพราะว่าพอช่วงเมษาเราได้มีโอกาสหลีกเด้นไปภาวนาก็รู้สึกการรู้สึกใจสบายสบา ย, บายก็รู้สึกว่าหลังจากสมการที่ผ่านมาเนี่ยจิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ ความทุกข์ที่เคยทุกข์มากมากมันมันก็ยังทุกข์แต่มัน้อยลงจากที่เราเคยโกรธยาวๆเราก็ซาดรลงเคยเห็นไหมเห็นไหมความทุกข์มันอยู่ห่างๆเคนะความทุกข์มันอยู่ห่างๆแล้วกิเลสมันก็อยู่ห่างๆโรคมันอยู่ห่างๆน่ใจที่เราฝึกจนมันตื่นขึ้นมามันจะเห็นเลยความทุกข์ก็อยู่ไกลๆออกไปแล้วมันเหมือนคนอื่นทุกข์แล้วไม่ใช่เราทุกข์แล้วะมันมันเริ่มดี จริงๆเราก็ยังคี่โกรธที่วี ท, oui, ที่แบบเหมนเดิมแต่ว่าโยไม่เข้าใจว่ามันมันเหมือนหาเพราะว่าร ma. เรามีสติใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะพิสูจทั้งหลายห้ามโกรธพิสูจทั้งหลายห้ามหลงห้ามโลภไม่เคยสอนน ะ, ะพิสูจน์ทั้งหลายจนะิตมีความโกรธรู้ว่ามีความโกรธจิตไม่มีความโกรธรู้ว่าไม่มีใชนะเราแค่รู้เท่านั้นเองในที่สุดมันจะเห็นเลจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันอยู่ห่างหงออกไปละฝึกไปจนกระทั่งเห็นขันมันเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์กับขันนั่นแหละ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 อย่างที่คุณติดมาแต่ก่อนรู้สึกไหมกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นอะ่ะใช่ค่ะนี่ไม่ดื้อนะหลวงพ่อสอนอยู่ไม่กี่เดือนใจมันก็เริ่มหลุดออกมาแนละ้วไหมเห็นขัดห้ามันทํางานใจเป็นแค่คนดูความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็สั้นลงรู้สึกไหมความสุขก็สั้นลงด้วยนะต่อไฟไปดูานะต่อไปรับนะ ป, ปัญญาแจ้งขึ้นมาโอ้โหมันเห็นมีความสุขตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่จิตที่ไปรู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนนะั้นมีความสุขที่สุดเลยนะ หลวงพ่อเจ้าค่ะพหลวงพ่อบอกว่าให้ไปในรูปแบบเินโยมอีกหนึ่งคำถามปัดีที่ที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยแนะนำโยมเพราะว่าในที่ทางทานเนี่ยโยมจะเจออารมณ์ที่รุนแรงเดี๋ยวเอาไบไวหน่อยเอาย่อๆก็คือเขาแนะนำให้ไปภาวนาแนวแบบดูดูผี จะ ไ, ไม่ต้องอให้ดูเวทนาอะไรเ<ด>นี่เพื่อให้มีสมาธิมากขึ้นดูเวทนาต้องทําสมาธิซะก่อนนะไม่ใช่ดูเวทนาเพื่อให้มีสมาธิควรเรื่องกันกายานุปษษัสนาการตามรู้กายเวทนานุปษษัสนาการตามรู้เวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกที่ทำฌ<น>านซะก่อนแล้วพ่อยไปรู้กายและเวทนานะียน่ยินดีไ ย, ยมฝึกเหมือนเดิมแต่ทําในรูปแบบมากขึ้นแต่ยังทำที่องค์อนทำได้สิพอแล้วเอานะไปเดินจงกรมเขาคนต่อไป ธรรมส ก, การเจ้าค่ะพอก็ตอนอายุสิบสองก็เห็นความผิวที่คือมันเป็นทุกข์แล้วก็อยากออกบัวนับตั้งแต่บัดนั้น<อ>แต่ก็มีภาระราคือต้องเรียนดูคุณแม่มค่ะก็เรียนหนังสือมาจนเรียนจบก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะครัวมีรู้ก็ไม่ใช่ความสุ ข, สขที่แท้จริงก็เลยไปปฏิบัติที่วัดป่าแห่งหนึ่งเดือนทเดือเลยค่ะป่านมาได้สองปี ปลายปีห้าหนึ่งค่ะก็เป็นวันสุดท้ายที่ไปวันนั้น<ม>ก็ไปนั่งในป่าแล้วก็หนูทาพุทโธนะคะแล้วก็อับสุภจรลาคะจาริมันน้อยลง<ม>และในวันนั้นนะคะหนูก็เห็นกายมันทํางานเอง<ม>เริ่มจากหัวใจหีบเต้นแล<ม>้วก็ผดฉีดเรื่องทุกอย่างในร่างกายทํางานเอง<ม>แล้วเมื่อออกจากสมาธิมันก็ขาดลงเมื่อลืมตาเห็น คือมือแต่มันจำไม่ได้ว่านี่คือมมันก็ตกใจว่าก้อน อ, อะไรมันตั้ง อ, อยู่ตรงนี้นแลแหก็มันเห็นรูปแล้วค่ะนะเห็นจิตมันอยู่ข้างบนแล้ววันนั้นก็รู้ว่ากายอย่างหนึ่งวิญญาณอย่าง แต่ไม่ได้หลุดที่วิญญาณต้องหลุดที่จิตแต่จิตอย่างเดียวหลุดไม่ได้ต้องมีสติหลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ได้ก็อธิฐานหลังจากนั้นเจวันได้ซีดีของหลวงพ่อวิธี ป, ปฏิบัติแผ่นแรกค่ะแล้วก็ฟังครังแรกก็ใช่เลยลองมานานแล้วแล้วก็ปฏิบัติหลังจากปีห้าหนึ่งมาจนบัดนี้ปีครึ่งก็กล้าที่จะออกมาถาม เพราะว่าเมื่อ่วงสงกรานต์ได้มีโอกาสโชคดีได้บวชหนเจวันนะคะช่วงนั้นหนูก็ตั้งใจที่จะดูจิตเพราะว่าระหว่างที่หนูทำงานหนูจะเจอลูกค้ามากมายจิตใจก็จะไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่ต้องคอยเซอร์วิสลูกค้าค่ะพอดีมีอาชีพเป็นเทศาชกัสอักก็เลยไหลไปมารู้สึกตัวทุกครั้งคือตอนที่ขับรถออกจากร้านแล้วก็เป็นเวลาที่ รู้สึกว่าเออทำไมมันหลบไปทุกว่ะพอได้ไปบวดช่วงนัะหนูก็เห็นจินชัดเจนที่ว่ามันวิ่งออกไปแต่ไม่ได้บังคับมัน ค, มคือมันหนีออกมาไปหลบไปพลัมหนึงแล้วมันก็จะกลับมาแต่กลับมาก็จะรู้สึกตั้งมารู้สึกตัวขึ้นมาต ร, ตรงที่กลับมาอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งเราจะแน่นๆน่นถ้ากลับมาแล้วแน่นนี่ผิดเลยนะะแต่ก็ไม่รู้สึกแนะ่นเหมือนกับสบายสบชั่งนันก็นหายออกเดี๋ยว<ป>เด๋ยวห ย, ยุดก่อนเพลินไปแล้ว ค่ะอาให้คนอื่นบ้างนะมีสิบห้าคนเอาว่าไปเขาช่วยตออทำให้นินึ่าวันนั้นเห็นเห็นจิตมันไปเกาะเกี่ยวความให้รู้เฉยๆนะให้รู้ลูกเดียวเลยค่ะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปแทรกแซงเขานะไม่ประคับประคองให้นิ่งตัวรู้ก็ไม่ประคองเอาไว้มีก็มีอยู่เดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับเท่ากับตัวอื่นไป่ทำเอานะเห็นไหมเห็นใจที่อยากพูดไหม อ้าวตัอไปนป้าเดี๋ยวไม่ทันทำนำ้ำพรสกัดต่อคุณเจ้านะคะโยมเคยปฏิบัติในลักษณะสมาธามองเจ็ดปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่กข้าวหน้าเลยประเอิญได้ในยานามินำซีดีของคุณเจ้ามาใช้คืก็ระบอกของที่าะไปไม่ใช่ทางนั้นแล้วนี่พอเริกลงมือปฏิบัติก็ยังติดในแบบเก่า ๆ, ๆนะคะ เออก็เลยคิดว่า ต, ตาดูจิตดูกายนมันคืออย่างไรมันเป็นอย่างเดียวกับรูปหรือนามหรือเปลอืมก็ อ, อ, อันเดียวกันแหละนะนพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกายกับใจ้็พูดให้ถูกต้องก็คือรูปกับนามพูดพูดโดยอนุโลมเท่านั้นแหละว่ากายกับใจอ่อมาข้อที่สองเครับขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็จะเรามารู้สึกว่าขาะอย่างเช่นสืบพลเรือนจงกรมนั้นนะ ก็เอตามรู้กายจะไม่ค่อยทําไม่ได้คนะ่ะรู้สึกจิตจะแว บ, บไปแว บ, บตลอดแต่ก็ตามรู้ว่าาคิดไปของโยมนะให้ดูจิตเอาของโยมดูกายไม่เหมาะหรอกเพราะโยมเป็นพวกทิฏฐิจิ ต, จตพวกช่างคิดให้รู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะาไปทําเอานะไปทําเอาอ้าวต่อไปย่อๆนะไม่ต้องเล่ายาวน้ามาสักการเจ้าค่ะ ยมจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์อาจจะเป็นคำถามงม่ายๆก็คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์เล่าถึงโลกหลดหลงซึ่งยมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างระแวงระวังว่าจิตเนี่ยเช่นตัวอย่างยมเป็นนักธุรกิจนะครับก็กลัวว่ามันจะรวย เ, เินอย่างนี้จกก๊ะครก็โลภหรืออะไรก็เลยเป็น <c oughs> ขลภาวะนะมีหน้าที่รวย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 หน้าที่เราก็ทำงานให้เต็มที่แล้วมันก็ได้ผลเท่าที่มันควรจะได้อย่างนั้นไม่เรียกว่าโลภหรอกเรียกว่าสันโดษแต่เกิดได้เยอะไปเพราะเราทำงานเก่งก็ไม่เห็นจะเป็นไรในสมัยพุทธกาลชาวพุทธรวยๆก็ถมเทพไปไม่ใช่ว่าทุกคนต้องยากจนแล้วงในที่เราตั้งเป้าท่นอาจารย์สอนว่าชาวพุทธควรจะตั้งเป้าเป็นศรธา เ, เกรงกลัวครับท่านอาจารย์เพราว่าคำพระโสดาบันท่านอาจารย์หมายว่าอย่งไรก็เป็นพระโสดาบันนะภาวนาเป็นจนเกิดอริยมรรคขั้นแรกเป็นผู้เที่ยงที่จะตรสัสรู้ต่อไปเป็นพระอราหันต์ในอนาคตไม่ใช่เรื่องยากมีเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันมีศีลห้านะเรามีศีลห้าไว้ก่อนพระโสดาบันเนี่ยเขาลบเริ่อมใส่ในพระรัตนตรยัย ไม่ได้ไปเคารพอย่างอื่นนะไม่คลอนแคลนไม่ใช่เจอเจ้าพ่อนี้ก็ไหว้เจ้าแม่นี้ก็เอาเป็นสรณะนะอะไรเงี้ยนะเจ้ตูคงจ้ตูคำอะไรเงี้ยไม่ต้องอ่ะนะแล้วก็พยายามฝึกเจริญสติไปคอรู้กายคอรู้ใจแล้วว่าหนึ่งนเขเป็นกรรมธรรมสางการเจ้าค่ะดิัได้เคยศึกษาธรรมศึกษาแต่ในยุคสองศึกษานะคะ แล้วก็หลงจากนั้นมาก็มีครรัวก็ได้พยายามศึกษาแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติพอมาช่วงหลังนี้คือลูกบุญอะไรโตหมดแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงจแล้วประมาณสิบกว่าปีอะค่ะอเอช่วงหลังนี้มาได้คือมีปัญหามากมายดังการครองเรือนและก็การทํางานนะคะก็ยิ่งศึกษ า, าขึ้นปฏิบัติมากขึ้นนะคะ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 แล้วตรงนี้นี่จะยังจะกราบนักศึการเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นวิปัสสนาหรือว่ายั ง, ย, งยังไม่เป็นนะถ้าสมถะเนี่ยเรามุ่งเอาความสุขความสงบความดีของโยมอยากได้ความสุขใช่ไหมอยากจะละทุกข์เราไม่ได้มุ่งที่จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเราเนะนี่ยเราค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะฟังครับแล้วไปฟังฟังแล้วสังเกตกายสังเกตใจไป อีกอันนึงนะคะอันนีเป็นอยากจะเรียนถามนะคะว่าคําว่ามโนมยิทธิเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคืออะไรนะคเป็นริษททางใจนะอันนี้อันนี้เอออันนี้มันเลยเรื่องวิปัสสนาไปนะผ่านให้คนเห็นเถอะนะแล้วตรงนี้เห็นเห็นไหมคะว่าถ้าคือวิปัสสนาดีกับมโนมยิทธินี่จะคนละคเรื่องกันนะมโนมยิทธิเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของอภิญญา นะส่วนที่เราฝึกมโนมายติเราดูเอาไฟส่องแล้วเห็นเป็นดวงสว่างสรงจิตไปต้นนี้อันนั้นไม่ใช่นะมโนมมายติยนะไม่ใช่มโนมายธิในพุทธศาสนาหรอกรนะัออก่นคือการฝึกกระสินแสงสว่างเาพอเป็นกระสินแสงสว่างคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นส่งจิตออกไปรู้ไปเห็นเห็นไหมไปรู้เทวดาไปรู้ผีไปรู้นรกไม่รู้อันเดียวไม่รู้ตัวเองพนะุปธศาสนาต้องรู้ตัวเองนะ อ, อยากาเฉยๆจะไม่ได้คิ า, าจะไปลไปคนอื<า><ต>่นนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเขาจะปิดห้องประชุมนักสงบอกว่าจ้าถ้าสมมติว่าจิตไหลไปอยู่ที่คนอื่นแล้วอย่าดึง <c oughs> แค่รู้เฉยๆว่าไหลไปอย่าดึงคืนถ้าดึงแล้วแน่นจิต ท, ที่แน่นจิตที่หนักจิตทีแ่แข็งจิต ท, ท, ที่ซึมจิตที่ชื่อคืออกุศลจิตนะอกุศลชนิดโทสะมระจิตนะจิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานไม่ไม่นัไม่แน่นอ่ะ ถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ใช่เห็นถูกต้องแล้วอ่าต่อไปฮะไม่จบเหรอเวลาเหมือนเว่าฟังเทพหลวงพ่อแล้วน้ำตาจะไหลจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติไปไม่ได้ติดสมถะไม่ใช่ไม่ใช่ใครฟังเทพหลวงพ่อแล้วติดสมถะก็น่าอัศจรรย์นักศกษาหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกอยากทราบว่าจริงของลูกนั่นแหละที่ฝึกยัวใช้ได้ละ ดูกายดูจิตใช่ <c oughs> ใช่ดูแปลกที่ฝึอกอยู่ใช้ได้จิตมันเริ่มตื่นแล้วเ <c oughs> จ้าค่ะแล้ววิหารธรรมที่เหมาะสมนั่นแหละร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแล้วมันเห็นจิตของมันเองตอนนี้ยังไม่แน่ใจสภาวะที่เรียกว่าหลงตอนนี้กําลังหลงนึกออกไหมเมื่อไหรลืมกายเมื่อไรลืมใจมันนั่นเรียกว่าหลง<ช> <c oughs> นะเมื่อไร่รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่ารู้เมื่อไหรเพ่งกายเพ่งใจเรียกทำสมถะ ตอนนี้ก็ผิดประคองเลยใช่แต่ตอนแรกไม่ประคองตอนนี้เริ่มประคองแล้วเรียนรู้ทันอย่างนี้นะะมันคือการเรียนรู้ตัวเองจิตไปแอบทําอะไรรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันทําของมันได้เองไม่มีตัวเราหรอกเะดีแล้วแหละถามเเจ้าค่ะอืมคือเรียนรู้ยังรู้สึกว่าอยังแยกหน้าที่ที่เป็นสมมูิทางโลกกับความจริงที่เป็นสัจจะอันสูงสุดเนี่ยค่ะ คยได้คือถ้าใจเราหลงไปในโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งนะไปรู้เรื่องราวเนี่ยก็เรียกรู้อารมณ์บัญญัติถ้ารู้สภาวะของรูปของนามของกายของใจถึงจะเรียกอารมณ์ปรมัติตเนี่ยตอนนี้ยจิตหลงไปรู้สึกไหมขณะที่เราใจลอยไปเนี่ยเราลืมกายเราลืมใจแล้วเราหลุดจากอารมณ์ปรมัติตละเราไปอยู่ในอารมณ์บัญญัติขณะนั้นตกจากวิปัสสนาแน่นอนเลยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะจ้ะ<อ>เดี๋ยวย่อๆนะ รู้สึ k, ทีมที่ถามมันนี้ําได้ยาวมากอาว่าไปคืออย่างน้องชายของลูกนะเจ้าค่ะอืไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไม่เชื่ อ, รรอเข า, เเขาคือเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระแล้วลูกควรจะปฏิบัติดู <c oughs> แลเขาอย่างไรก <c oughs> ็ <c oughs> เราภาวนาของเราให้ดีนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นเรามีความสุขให้เขาเห็นะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคนใกล้ตัวถึงจะยอมเชื่อ ถ้าเราเองภาวนานแล้วเราก็เครียดเครียดเขาก็ไม่เชื่อหรอกหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้น้องชายเขด้วยนะหลวงพ่อแผ่ครอบโลกทุกวั น, นกราบลสกกาหลวงพ่อเจ้าค่อย่างเวลาที่ฟักหลวงพ่อเมื่อกี้นี้แล้วมันก็จะเห็นเสียงที่หลวงพอ่อพูดอกมาัเองก็หกัวล้อแล้วมันก็จะมีตัวที่รูเข้าไปเห็นตัวเองหลอ แล้วพอหลวงพ่อพูดจบไอ้ไอ้ตัวที่ปุ่ล็อกของเราเนี่ยมันดับไอ้ตัวที่รู้ว่าหุ่ล็อกเนี่ยมันก็จะดับแล้วแต่ลักษณะแบบนี้ยมันจะไม่ต่อเนื่องมันเหมือนเป็นจุดไข่ปลาไม่ได้เป็นจุด ไ, ไข่ปลาถูกต้องนะอย่าให้ต่อเนื่องน ะ, ะเส้นที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นเส้นตรงนี่เป็นแค่ภาพลวงตาสิ่งที่เห็นเป็นเส้นนะจริงๆเป็นแค่จุดต่อๆกันเท่านั้น นั้นรู้ปัจจุบันเป็นขณะขณะไปเราจะรู้สึกเหมือนกับเรารู้ตัวต่อเนื่องจริงๆไม่ได้ต่อเนื่องจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นผู้รู้ซ้อนอยู่ในตัวมันจะซ้อนซ้อนซ้อนแต่ได้แต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ของคุณจุดที่เริ่มพลาดนะคือไปใส่ใจคอยดูตัวผู้รู้มากไปไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเพหนูพยายามดูว่าตกลงมันมีผู้รู้ไหมหลวงปู่ดูลบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตใช้ผู้รู้สแสวงหาผู้รู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอ ไม่มีที่สิ้นสุดนะวิญญาณเป็นอนันต์ไม่สิ้นสุดหรอกมันจะมีตัวรู้ซ้อนซ้ๆ้ไปเรื่อยก็ดูไปเฉยๆดูเฉยอย่าถลำลงไปดูของคุณเวลารู้แล้วถลำลงไปรู้นะดูห่างห่งแล้วทีนี้พอเสียงขอกปล่อยไปหมเลย <ug> รู้รู้ทันใจเรานะรู <ug> ้รู้ทันใจรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไป <ug> นะไม่ใช่ฟังแล้วปล่อยปล่อยปล่อยป่อยแล้วใจลอยง <ug> ัง้นไม่ได้นะเอาไปให้คนอื่นบ้าง สองกาสอข้อเจ้าค่ะหนูก็ตอนนี้สอาววัเป็นยังไงบ้างคะหอแล้วหนูจะให้เป็นอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรต้องการถามอะไรขอคาแนะนำเพิ่มเติมก็รู้หลงปัจจุบันไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆดูเขาทํางานอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาตอนนี้แทรกแซงแล้รู้สึกไหมรู้สึกอย่าแทรกแซงรู้เฉยๆ ดูทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้กำกับเวทีคอยไปควบคุมเขาแล้วก็ขอฟังเรื่องสภาว่าแยกรูปถอดของหลวงปู่ดูนะจ๊ะให้เอาไว้ให้ถึงก่อนแล้วค่อยดูค่อยฟังนะเรียนภาวนานะอย่าไปสนใจอะไรที่ไกลเกินไปพยายามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยปัจจุบันนี่ของสำคัญที่สุดนะถ้าฟังล่วงหน้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มาส่ง ก, การค่ะแต่พ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งกานบ้านยอมอยากรู้ว่าจิตของยมตื่นขึ้นบ้างหรืองตื่นขึ้นบ้างนะแต่ขณะเนี้ประกองไว้ดวูออกไหมขณะนี้มีโมหะแทรกมัวนิดหนึ่งดูออกไหมและครรู้ทันอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆ <c oughs> เนี่ยความอยากพูดเกิดขึนนน้นเห็นไหมไมีเห็นเหรอนะเนี่ยฝุดขึ้นมาเราก็รู้อย่างนี้เลย รู้อยางนั้นสมาธิให้หลวงพ่อดูอดเอาสินั่งไปนั่งให้สบายว่า น, นั้นนั่นเป็นการบางังคับจิตแรงไปนะมันจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะไม่เกิดความสงบอย่าน้อมจิตให้ซึมอันแสดงว่าที่ลูกทำเมื่อกี้คือลูกซึมซึมไปรู้สึกไหมมันน้อมจิตให้ซึมเรา<ด>คิ ด, ดว่าซึมกับสงบเป็นอันเดียวกันซึมเป็นชื่อของส้วมไม่เอาเลยนะ ใช่มันน้อมใจลงไปงั้นเวลาเรานั่งสมาธินั่งรู้สึกตัวนั่งมีสตินะเห็นร่างกายนี้หายใจหายใจเราเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆคือดูให้กายให้กายกับใจแยกกันแต่ไม่จงใจหรอกขออีกคำถามนึงนะคะคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราฝึกภาวนามันจะดีขึ้นแต่ทให้คนรอบข้างบอกว่าเรายังขี้โมโหขี้งม่นบอกซิว่าเมื่อก่อนขี้โมโหขี้งุ่หงิดมากกว่านี้ไหม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 สามีสงสัยนะมาเรียนกับหลวงพ่อประโมที่หลวงพ่อสะกดจิตอะมัง้งมาดูซะหน่อยสิมานั่งฟังไปฟังมาเดี๋ยวมาพากันภาวนาทางบ้านเนี่ยเยอะเลยะแล้วชีวิตในครอบครัวนี่เต็มไปด้วยความสุขเลยช่วงหลังๆเราลูกอยาถามว่าปัญญาบญญางอย่างที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันนึกไม่ออกว่าฉันพูดอะไรอืมมันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองเกิดด้วยตัวมันเองปัญญาไม่ได้ปไม่ได้เป็ัญญาเกิดขึ้นเองขอบคุณท่านเลยค่อ้ต่อไป นมัสกัดขั้พออยากจะขอคํำแนะนําว่าการเริ่มต้นปฏิบัติสำหรัผมควรเป็นยังไงก็ได้แหละนะหารมมาหนึ่งพุทโธก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วก็ดูใจเราไปเรื่อยพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปหรือรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันใจตองคุณเวลารู้ลมมันจะไปเพ่งระวังนิดนึงพอไปรู้ลมลมไปเพ่งใส่ลมคือผมยังไม่เคยทำยังจริงจังเลยยไม่เข้าใจของเพ่ง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 ฝึกอย่างนี้แหละนี่แหล ะ, หละที่เรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูอะไรพิรุษพิลั่นหรอกะนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเท่านั้นเองอนะผมเป็นคนที่แบฟุ้งซ่านไดนะไม่ห้ามนะไม่ได้ห้ามนะนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบทีนะ่จะฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันไปด้วยไม่ยากหรอกนะของคุณอนะพวกขี้โมโหนะคนมีบุญเพราะจิตที่มีโทสะนะัเป็นจิตที่ดูง่ายที่สุดเลย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 ไ ม, ไม่ต้องดูกายมันเห็นเองแหละถ้าไม่รู้กายเลยก็เดินตกถนนไปแล้วนะขอบพระคุณค่นะกับสมรรถภาพพ่อครับผมปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อมาสักประมาณสองปีเสษนะครับก็เริ่มองจาับ ก, การรู้สภา ว, วืเจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือเห็นแต่ว่าตัวเองนั้นมีอะไรที่มันเกิดเกิดต่างๆแล้วก็ สิ่งที่รับทราบก็คือมันมีแต่ความสุขนะฮะในจิตก็เลยรู้แต่ว่ามีความสุขนั่งมันก็เกิดต่าๆตแล้วก็ความทุกข์ก็เหมือนมันหายไปอืมก็คือห่างหายไปะครัทั้งท่านที่บางวันมีความเครียดมากแต่ยิ่งเครียดแล้ก็ยิ่งจิตมันยิ่งสุขมันประหลา ด, ดีเหมือนกัน่นแหละประหลาดยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งเบิกบานคก็โดย่าง ม, มีไปใช่ไหมครับใช่นะแต่ถ้าดูสบายกว่านี้นะอย่าตอนนี้เครียดไป ใช่ครับตื่นเต้นเป็ตื่นเต้นนะครับขอบคุณครับตัวเขมีคําถามที่เขาเก่งปากไว้นะครับผมว่าถ้าป่วยอยู่รู้ว่าจะตายจะต้องพุทธโธตลอดนี้ไหมครับหรือว่าให้มีสติทางรู้รัะถ้ามีสติได้ก็มีสติไปนะถ้ามีสติไม่ได้ก็พุทธโทไปถ้พุโทโธรไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรได้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 เวราะเราคอยมีสติรู้สึกไปถ้ามันจวนตัวจริงๆพวกเราฝึกรู้สึกตัวดูจิตดูใจดูกายชำนาญ น, นะเวลาเจ็บป่วยจริงๆนั้นนอนดูกายมันตายมีพระองค์หนึ่งท่านไปเรียนกับหลวงพ่อที่ที่ศรีราชาวเวลาท่านมาเรียนท่านก็ฝีมือพอๆกับพวกเรานี่แหละต่อมาท่านเป็นโรคโรคเดียวกับพุ่มพวงโรคอะไรไม่รู้ชื่อภาษาฝรั่งเราก็เฉยๆเราก็จาไม่ได้แล้ว หลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านกะว่าผู้นี้ท่านตายะวันนี้เลยไปเยี่ยมท่านซะหน่อยไปให้กําลังใจท่านไปถึงก็ไปบอกท่านอาจารย์รอบนี้ตายแน่นี่ให้กําลังใจนะไปให้กําลังใ จ, จอาจารย์ตายแน่เลยยังไงก็ตายรอบเนี้ยนะไหนๆอาจารย์จะตายนะอาจารย์นอนดูร่างกายมันตายนะใจเราเป็นคนดูดูมันตายไปเลยนี่ท่านทําได้จริงๆนะท่านนอนเห็นร่างกายมันตายแล้วิตท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ ให้ก็ได้กําไรไปนะถ้าเราภาวนาไม่เป็นเวลาจะตายแนละใจทุรนทุรายนะมีความทุกข์ตั้งแต่ก่อนตายแนละ้วตายไปก็ต้องมีความทุกข์อีกนะนั้น อ, นอนาคตนัเป็นสิ่งที่เราสร้างเองงั้นเราอย่าประมาทต้องฝึกไปตั้งแต่ก่อนตายนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนเลยนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรเดีย๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยเป็นโรคหิตมากเลยบนะางคนเป็นมะเร็งนะแล้วก็บอกว่าหมอบอกอยู่ได้อีกไม่กี่วันแนละ้วมาหาหลวงพ่อนะบอก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 ว่าใจของแกเข้มแข็งขึ้นมารู้สึกร่างกายในแกสละออกไปใจเข้มแข็งใจตื่นใจเบิกบานมีธรรมปีติหล่อเลี้ยงอยู่ตายากนะมีหลายคนนะเป็นอย่างนั้นแพราะฉนถ้าเจ็บป่วยจริงๆแล้วทุรนทุรายเนี่ยก็เท่ากับเตรียมนรกเป็นที่ไปเจ็บป่วยนะแล้วก็ห่วงโน้นห่วงนี้ก็เตรียมไปเป็นเปรตนะเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เพ้อคลั่งหลงไปเรื่อยๆก็เตรียมไปเป็นเดรัจฉานเนะฉนั้นเจ็บป่วยนะั้นเราก็มีสติไว้ อย่างน้อยคิดถึงพุโทโธพุธโทโธนะก็เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ทาความสงบเข้ามาได้ก็เป็นปล่มได้มีสติรู้กายรู้ใจไปเลยอาจจะกำลังแก่กล้าพออาจจะได้มรรคผลขึ้นมาคุ้มที่สุดเลยอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่ก่อนป่วยตอนนี้กำลังมีเรียวมีแรงต้องฝึกก่อนนะรอให้ป่วยหนักแล้วจะมาถามว่าจะทากรรมฐานอะไรไม่ทันท่าละ่ะต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ เหมือนจะก่อนตกน้ำต้องว่ายน้ำให้เป็นซะก่อนต้องฝึกซะก่อนถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทถ้าประมาทก็คือตายแง่แกตายอย่างเฉียดนี่ตรงเวลาเป๊ะเลยเห็นไหม <laughs> เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะปิดหอประชุมใช่ไหมบยโมงครึ่ง <laughs> อ้าวจบครับสุดท้ายนี้ก็ขอเสดโอกาเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับ ร่วมกันกล่าวทําถวายทานที่มีผู้มาถวายไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอนุถวายพุทธจักใจไตรยธรรมและสิ่งของมันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโมทชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาลนานาเถ อ, อยะถาวาริวหะปุราบริปูเรนตีสักรัง เอวเมวะอิโตดินังเปตานงอุปกัรปติอิจิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนารโสยถารมณิโชติลาโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจายโน จตาโรโธรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังพอนานะเริ่มต้นซะตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่เริ่มวันนี้นะให้เริ่มซะตั้งแต่ตอนนี้อย่าใจลอยคอยรู้สึกตัวเองในขณะเดียวกันไม่ได้บังคับตัวเองนะคอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจทรมานยามรู้สึกตั้งแต่ตอนนี้เรื่อยๆจะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์ คอยรู้สึกนะจิตใจเฉยๆคอยรู้สึกจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตสงสัยคอยรู้สึกนะจิตใจเป็นไงคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นในกายในี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะได้ธรรมะละได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นโสดาบันก็คือเที่ยงละเป็นคนที่มั่นคงในพระศาสนาพระโสดาบันเนี่ยในทางศาสนาพุทธเรียกว่าพระเสขบุคคล เสกบุคคลคือได้เป็นนักศึกษาถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยถือว่ายังอ็นทรานไม่ได้หรือยังสมัครเข้าหมอสทไม่ได้นะยังไม่ใช่นักศึกษาอ่ละตลวข้่อไปก่อนนะมีความสุขเข้าภาวนา